ธรรมะนี้เป็นของละเอียดเป็นของใสเป็นของสูงเป็นของลุ่มลึกยากที่คนทั่วไปจะเข้าไปได้ง่ายหรือจะเข้าใจได้ภายในช่วเวลาการปฏิบัติที่สั้นๆกว่าพวกเรา จะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั่นก็ยากยิ่งกว่าพวกเราจะมาเกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็ต้องสร้างบุญบา ร, รมีมามากมายกว่าพวกเราจะมาเกิดในประเทศที่ดีพร้อมมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ ก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายและกว่าพวกเราที่จะเกิดมาพบวิชาธรรมกายยิ่งยากเย็นแสนเข็นพวกเราเกิดมาแล้วจะเป็นอะไรก็ช่างจะมีฐานะอะไรก็ช่างแต่บัดนี้ เราได้ผ่านความยากยิ่งทั้งสี่ประการมานั่งปฏิบัติธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะบุญกุศลที่เราสร้างมาให้ถูกมักถูกพ้นถูกนิพพานในฝ่ายสัมมาทิติแต่ส่วนเดียวเราต้องทำให้ดีที่สุด ทำตัวเราให้ดีที่สุดพยทยามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุด do the best เมื่อเราทำดีแล้วเราจะต้องไปกลัวอะไรเล่าถ้าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ทุกมกักทุกพลทุกนิพพานเราจะไปวันไหวอะไรเล่า กับคำดิ่นทาว่าร้ายว่าก่าวคำหักห้ามของเหล่าญาติมิตรหรือแม้กระทัน่นอุบสัตย์ขัดข้องทั้งหลายที่มาขัดขวางในการปฏิบัติธรรมจงอย่าทำใจให้ขุนให้มัวไปตามสิ่งเหล่านั้น เราเกิดมาแล้วผ่านความยากมาแล้วถึงสี่ประการนี้เราต้องทนทนให้ได้คิดเสว่ามนุษย์ทุกคนต้องตายกันทั้งนั้นเราทำก็ตายไม่ทำก็ตายฉะนั้นเราทำดีกว่าทำให้สุดความสามารถของพวกเราใครทำใครได้ ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทำทุกทุกวันก็ได้ทุกทุกวันฉะนั้นการนั่งปฏิบัติธรรมะอย่าคิดว่าเออมีเวลามานั่งปฏิบัติที่สถานปฏิบัติธรรมแค่นี้ก็พอละไม่ใช่เราต้องจัดเวลาโลกและธรรมให้มีความส ม, ม่ำเสมอ ทางธรรมเราก็ต้องเจียดเวลาปฏิบัติให้สมำเสมอพระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนเสมอว่าไม่ต้องกลัวไม่ได้ถ้าเรามันทำเสมอทำเป็นนิจจสินอย่าขี้เกียจนั่งธรรมะพยายามหาเวลาในวันหนึ่งหนึ่ง เวลาตื่นนอนตอนเช้าก่อนไปทำงานหรือเวลาพักเที่ยงหลังทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วหรือก่อนนอนพยายามนั่งธรรมะให้มากๆกกำหนดจิตให้มีสมาธิให้มีสติทำสม่ำเสมอ ถ้าเราไม่มีสมาธิแล้วอกุศลก็จะเข้ามาถึงจิตใ จ, ใจใพวกเราได้ง่ายสิ่งไม่ดีก็จะมาเกาะเกี่ยวอยู่ในกะมลสันดานของพวกเราแค่พวกเรามันทำสมาธิวะัละนิดวะัละนิดจิตแจ่มใสบุญกุศลก็เกิดขึ้นแก่ใจเราเสมอๆ บ, บอาปอกุศล ที่แทรกเข้ามาซึมซาบบนเป็นเข้ามาในธาตุในธรรมของเราก็จะถูกจิตที่เป็นกุศลถูกบุญที่เรากันใจให้ใสกันใจให้ละเอียดจนสามารถเก็บละลายสิ่งบาปอากุศลทั้งหลายได้หมดได้สิ้น ทำทุกวันน้ำหยดลงตุ่มทีละหยดก็ยังสามารถทำให้ตุ่มน้ำเต็มได้อย่าดูเบาบุญกุศลที่เราทำฉะนั้นเราต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆมีบุญอะไรก็พยายามทำไปเรื่อยๆ สักวันหนึ่งบุญของเราคงเต็มเหมือนน้ำที่เราหยดลงทีละตยดทีละหยดทีละหยดก็ยังเต็มตุ่มแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เหมือนไม่มีน้ำหยดสักหยดหนึ่งถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆวันหนึง่งเราก็จะได้รู้ได้เห็นได้พบ สิ่งที่ประเสริฐกับเข้ามั่งเมื่อบรารมีตอนนี้ของเรายังไม่เต็มเราก็ต้องขนควายสะสมสั่งสมไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยอย่าขี้เกียจอย่าท้อใจอย่ามัวไปห่วงคนอื่นเข้ามากเกินไปเราต้องทำ ให้ตัวเรามากๆเพราะเวลาเราตายเนี่ยใครก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากเราจะช่วยตัวของเราเองเราทำเราก็ได้ญาติพี่น้องจะมาขัดขวางการปฏิบัติเราก็ต้องมีปัญญาปัญญาที่จะปฏิบัติต่อเนื่อง โดยไม่ให้โลกและธรรมมาขัดกันการปฏิบัติธรรมตาใจเราสงบทุกทุกที่ก็คือวัดทุกทุกที่ก็คือสถานปฏิบัติธรรมจิตเราสงบนิ่งใสอยู่ในตลาดที่จอแจ ใจเราก็บินบุญเป็นกุศลอยู่ท่ามกลางเสียงอึกทึกคลึกโครมใจเราก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ท่ามกลางเสียงทะเลาะวิวาส ด, ด่าทอจิตเรานิ่งเราใส่มีสติใจเราก็เป็นบุญเป็นกุศลจงสู้กับอุปสรรคเหล่านี้สู้ก็ตายไม่สู้ก็ตาย เราสู้ปฏิบัติดีกว่าสู้ให้ถึงที่สุดจะได้แก้ไหนก็เอากันเลยแค่นั้นเราทามากเราก็ได้มากถ้าเราไม่ทาเลยแล้วเราจะได้อะไรเล่าฉะนั้นการนั่งธรรมะควรจะนั่งกันทุกๆุกวันทำกันทุกๆุกวันทำให้ถึงที่สุด ไม่ต้องรอเวลาที่ครูบาอาจารย์จะมาว่างมีเวลามานั่งรวมกลุ่มกันอยู่ปฏิบัติกันเช่นนี้ชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมาคนเดียวก็ตายไปคนเดียวเรามัวแต่ห่วงห่วงโน้นห่วงนี่ห่วงงานห่วงสารพัด ห่วงลูกห่วงเมียห่วงครอบครัวห่วงไปหมดทุกอย่างเอาตัวของเราพันธนาการโซ่ตรวนทั้งหลายลัดตรึงติดแน่นเหล่านี้แหละคือก่อภพก่อชาติก็วนเวียนกันอยู่ในวัฏจักรสงสารเวียนไหวาตายเกิดเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายตายแล้วก็เกิดอีก วนเวียนผันเปลี่ยนไปนับอสงไขไม่ทั่วแล้วหน้าบัดนี้พวกเราได้มาพบวิชาธรรมกายที่สำคัญและมีประโยชน์ที่สุดเรายังไม่เร่งรีบขนขวายปฏิบัติจงยาเกิดมาเป็นโมคะบุรุษ ใช้ชีวิตที่เกิดมาเสียเปล่าบุญกุศลที่เราทำการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิเป็นบุญละเอียดเป็นบุญที่สำคัญเป็นบุญที่จะทำให้เราหยุดพบหยุดชาติบุญกุศลอื่นๆก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยนําเกิด ไม่ว่าเราจะเกิดนในภพสามภพนี้โลกมนุษย์เทวโลกพรมโลกหรือว่าผีเปรตอสุรกายสัตว์นรกเหล่านี้ก็ไม่พ้นจากการเรียนว่าต่เกิดปัจจัยบุญอื่นๆก็เป็นเพียงปัจจัยนำเกิดให้เรามีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ แต่บุญละเอียดบุญการนั่งสมาธิบุญที่ทำให้จิตหยุดจิตนิ่งจิตใสจิตสว่างจิตสงบนี่แหละต่างหากที่ทำให้เราหยุดเกิดนี่แหละคือบุญกุศลที่แท้จริงเมื่อเราจัด เวลานั่งสมาธิได้สม่ำเสมอ ก, กิจกรรมที่อยากจะให้ทำกันทุกๆคนนะก็คือให้รู้จักพิจารณาตนเองก่อนนอนทุกคนไม่ใช่หัวทั้งหมอนก็หลับปุ๊บให้พิจารณาธรรมะให้ละเอียด ก่อนแล้วก็ค่อยเข้านอนให้ดูซิว่าในวันนี้ตั้งแต่ตื่นนอนแล้วก็กระทากิจทั้งโลกจนถึงเวลาเข้านอนเนี่ยเราได้ทำอะไรมาบ้างได้ทำบุญทำกุศลหรือทำกรรมอะไรไว้บ้างทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีทั้งที่ประมาทหรือไม่ประมาทก็ดีเราพิจารณาไปตั้งแต่เช้าจดเย็นว่าเรามีความบกพร่องอะไรมั่งหรือทำดีอะไรมั่งในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่บกพร่องความประพฤติของเราไม่ว่ากายวาจาใจ เราได้ทำผิดอะไรบ้างสิ่งที่ไม่ดีเราต้องกล้าที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นและความประพฤติที่ไม่ดีนั้นให้หมดแล้วก็ปรับปรุงตัวเองทำในวันพรุ่งนี้ในวันต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทำอย่างนี้ทุกๆวันสิ่งบกพร่องในตัวเรากิเลสตัณหา อวิชาเครื่องสร้างมองทั้งหลายก็จะถูกเราชำระชำระกันทุกๆวันทุกๆคืนจนละเอียดหมดจดงดงามต้องทำอย่างนี้ทุกๆวันเพราะว่าพวกเราหวังมรรคนิพพานเป็นที่ตั้งชาติเดียวหลุดพ้นพบสุขแท้จริงขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย สำหรับพวกเราให้พวกเราสามารถหลุดพ้นจากวัฏจักรสงสารการเวียนว่ายตายเกิดได้พบสุขที่แท้จริงสิ่งที่ไม่ดีเราละเราเว้นเสียอย่าให้มาติดตัวเราแม้ชั่วคืนหนึ่งก็ไม่เอาเวรกรรมต่างๆเราก็อย่าไปทำทำกรรมอะไรไว้ไม่ว่ากายวาจาจ์ใจ ให้พิจารณาเหตุสังเกตเหตุประกอบผลสังเกตที่ในเหตุประกอบที่ในผลสังเกตที่ในในเหตุและประกอบที่ในในผลพระเดชพระคุณหลวงพ่อย้ำเสมอให้ทุกคนมีสติในการกระทําทั้งกายวาจาใจสิ่งที่ดีเราต้องกล้าทําสิ่งที่ไม่ดีเราต้องกล้าเลิก พิจารณาไปทีลการกระทำทีละกรรมทีละเหตุทีละผลบกพร่องสิ่งไหนเติมให้เต็มที่ดีแล้วก็เจริญให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้ได้กันทุกๆคนนะให้พิจารณาตัวเองเวลาทำอะไรผิดพลาดเราก็ต้องคิด หาเหตุหาผลว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากอารมณ์เกิดจากการขาดสติโดยเฉพาะการกระทาใดๆที่ผิดศีลผิดธรรมต้นเลิกให้ได้เด็ดขาดถ้าเราหมั่นพิจารณาทุกๆวัน ทุกเวลาเราทําได้ทุกวันก่อนนอนต่อไปเราก็จะทําได้ทุกขณะจิตมันพิจารณาเหตุกับผลเหตุกับผลในทุกการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมะรอบตัวเราไม่ว่าซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนตรงกลางริมข้างระหว่างหัวต่อเหตุการณ์ทั้งดีทั้งร้ายสิ่งเหล่านี้ คือธรรมะทั้งนั้นถ้าเรารู้จักพิจารณานี่คือธรรมอะไรคือเหตุอะไรคือผลปัญญาก็จะก่อเกิดจะเกิดขึ้นพัฒนาขึ้นดีขึ้นทุกๆวันในทุกวันเราดำเนินชีวิต ตามจุดหมายเป้าหมายของชีวิตของเราเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรคือความสำเร็จทั้งทางโลกความสาเร็จทั้งทางธรรมทางโลกเราได้กระทำไปถึงไหนแล้วล่ะทางธรรมเราได้ทำสิ่งใดไว้บ้างล่ะเราควรเว้นสิ่งใดบ้างสิ่งที่ไม่ดีเราละเลิกหรือยังและสิ่งที่ดีเราทำเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป พิจารณาอยู่อย่างสม่ำเสมออย่าได้หลงตัวเองอย่าได้เข้าข้างตัวเองเมื่อประสงค์จะให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติเดียวหลุดพน้นพบสุขแท้จริงเราต้องทำต้องทำให้ได้แม้กระทั่งการเสียสละเวลา ที่จะปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติธรรมหรือพิจารณาตนเองก่อนนอนทุกวันแค่นี้เรายังทำไม่ได้แล้วเรายังจะหวังธรรมะความหลุดพ้นที่แท้จริงได้อย่างไรเมื่อเรามันพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ เราก็จะเป็นคนที่ฝึกนิสัยให้มีสติไม่ตกเป็นทาตของอารมณ์บุญกุศลที่เราทำก็เชื่องตรึงกริดแน่นบาปเราก็ไม่สร้างกรรมเราก็ไม่สร้างบุญเราทำอย่างสม่ำเสมอ สังสมอย่างสม่ำเสมอสร้างความดีสร้างกุศลสร้างจิตของตนเองให้สุขสงบและสว่างพุนที่ของเราทำมาอย่างสม่ำเสมอทำมาอย่างถูกมรรคถุกผลและถุกนิพพานก็จะเป็นบุญที่ศักดิ์สิทธิ์บุญที่ใส ส, สะอาดบริสุทธ ไม่มีกิเลสอกุศลอวิชชาทั้งหลายมาปนมาเป็นมรรคผลนิพพานก็จะไปไหนเสียเล่า